สิบแปดวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือการตามรู้กายรู้ใจในวงเล็บรูปขีดน้ำจนเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิและปัญญาจนเห็นไตรรักษวงเล็บเปิดคือการเจริญสติปัตฐานสี่วงเล็บปิดเมื่อใจเป็นกลางไม่มีกิเลสครอบงำจะเห็นความจริงในขั้นแรกว่ากายและใจในวงเล็บรูปและนามไม่ใช่เรา ถ้าทําต่อไปจนจิตหยุดการปรุงแต่งจะเห็นว่าตัวเราไม่มีก็สามารถละความทยานอยากของจิตในวงเล็บตันหาจนไม่ยึดถือกายใจและไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็จะพ้นทุกได้วิปัสสนาทำเหมือนดูคนอื่นทําทำไปเพื่อเรียนรู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราเป็นเพียงความคิดการดูจิตเป็นการตามรู้เพราะนามอายุสั้นแต่การรู้กายให้รู้ลงปัจจุบัน เพราะรูปมีอายุนานและกายเป็นของถูกรู้จิตไปรู้มันได้จิตที่ใช้ทำวิปัสสนามีเพียงสองดวงเป็นจิตที่เกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดมีกำลังมากและประกอบด้วยปัญญาคือจิตที่มีความสุขในวงเล็บสมนัตและจิตที่เป็นกลางในวงเล็บอุเบกขาวิปัสนาเพื่อทำให้จิตฉลาดให้จิตเห็นความจริงของกายของใจวงเล็บเปิดว่าเป็นไตรลักษณ์วงเล็บปิด จนหมดความยึดถือกายยึดถือใจก็จะพ้นทุกได้การทำวิปัสนาต้องรู้สภาวะต้องมีสภาวะคือรูปกับนามรองรับแล้วก็เห็นรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นการทำวิปัสนาวิปัสนามีสองขั้นตอนคือเบื้องต้นทําไปเพื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราในเบื้องปลายทําไปเพื่อละความยึดถือในรูปนาม คนที่ละความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันคนที่ละความยึดถือได้เรียกว่าพระอรหันต์